ธรรมดามันไม่เลือกปรุงหรอกหน้าที่ของเราพอมันปรุงแล้วเรารู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะดับแวบเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ปรุงใหม่รู้อีกแวบนึงดับอีกก็ปรุงใหม่อีกในที่สุดก็เกิดปัญญาว่าเราห้ามมันไม่ได้ใช่นันจิตจะปรุงไปเราก็สั่งห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็สั่งให้เกิดไม่ได้ เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะรักษาไว้ก็ไม่ได้มีแต่ของเอาไม่ได้สักอย่างเดียวเงันอย่างเวลาเราเผลอไปครับรู้สึกตัวเนี่ยรู้แท้ขึ้นมา น, ะนี่ของจริงหลังจากนั้นจะเริ่มของปลอมนะจะรู้ปลอมปลอ ม, ม, ไ, มลไม่ต้องทันตามเท่าที่ทันทําได้ ท, ท, ท่ขขขตรงนั้นน่ะบางทีใจเราอะไปทําใจ ทื่อๆไเฉยๆนะรู้สึกไหมว่ามันเป็นการแกล้งทำว่างๆขึ้นมาอย่าไปแกล้งสิมันเคยชิน่มน็องตอนนั้นน่ะให้รู้สภาวะคือสงสัยอนะ่ะสงสัยว่าเอ๊ะจะดูยังไงดีอนะหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจแนละ้วก็มองไม่เห็นเนี่ยสภาวะมีอยู่ตลอดนะงั้นอย่างพอจิตว่างๆแนละ้ว ใจเราสงสัยว่าเอจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยไม่ว่างแนละวเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจริงๆความรู้สึกเราเกรียดตลอดนะดูเท่าที่ดูได้ใหม่ๆเราจะรู้แต่ของหยาบๆนะพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ของละเอียดขึ้นอย่างทีแรกเรารู้จักต้องตรวจแรงๆถึงจะรู้แต่มาขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วนะ ของแจ็คช่วงนี้ยใจมันคุ้งร้างออกไปดูออกไหมช่วงนี้จิตมันคุ้งร้างนิดนึงให้รู้ทันมันหรือทันสมถะช่วยนิดหน่อยแต่แม่เยอะนะยอย่าเดือดติดสมถะอะไรขนะดนี้ให้ฝัรู้สึกสนะกระชื้นความรู้สึกเตือให้มันพัดขึ้นนิดหนึงมันคลุ้งซ่านออกไปนี่ขยันนะอย่าขี้เกนะียจเลย วันนี้หาลูกชายมันกลับพ่อให้เรียนทำ ม, มาด้วยดีแล้วครับวันนี้ก็ยังชอ บ, บครับก <c oughs> ็แบบเหมือนกันแหละ <c oughs> ก็แนวเดียวกันครับคิดว่าเดินน่าจะมาถึงนี้เดินถทางรจริงๆแล้วไอ้นี่นเดียวะเราไปทําให้มันยากเองเนี่ยคนที่จิต ท, ท, ที่ตื่นขึ้นมาได้เนี่นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนอะไรนี่เขาก็ได้กันแต่เจ็ดวันเคยเห็นคนเดียวนะอยู่ซึ่ง ลูกศิษย์หลวงปู่เ น, นี่ยเจ็ดปันท่านเป็นคาราวาสหรือว่าท่านคาราวาสคาราวาสก็ทําได้นะทำ ไ, ได้ก็มีการทำมาธิเป็การพักการปล่อยใจสมาธิทาเพื่อพักผ่อน <c oughs> นะเพราะงั้นเวลาเราจะทําสมาธินะถึงว่าเราหายใจเข้าหายใจต้องทําสบายๆอย่าอยากให้สงบถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนะเพราะงั้นถ้าหายใจหายใจเล่นๆเดี๋ยว ก, ก็สงบแต่ของคุณสองคนมันติดสมถะ จะ่าไปทําเยอะนะเอาไว้เวลาจิตใจอ่อนล้าดูจิตใจไม่ออกก็ค่อยกลับไปทำนะตอนนี้หัดเจริญสติให้ได้ก่อนนะอย่าเสียดายถ้ายังเสียดายจับปลา2องมือเดี๋ยวจะได้ใจเ ด, ดเด็ดเลยนะคอยรู้สึกตัวรู้สึกเยกอะๆคอรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของเราความรู้สึกมันเปลี่ยนทั้งวันช้าสายบลายเย็ยนไม่เหมือนกันตลอดเวลาเลยดูไปเรื่อยๆ ตอนกังคืนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเคยทำก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่ตอนในชีวิตจริงเนี่ยต้องฝึกตัวไปเอาตรงนี้ให้ได้แล้วแย่จัดแต่ทำสมาธิต้องกลางวันทิ้งเลยนะไม่ได้อะไรหรอกติดสมถะาเฉย <c oughs> <c oughs> ดังๆนี้กับหลวงพ่อ e แก่<อ>แล้วเคยปฏิบัติมาเหมนการจะพอจะทราบเลที่ฟังหลวงพ่อพูดทราบว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติผิดหมดเลยรว่าเวลานั่งสมาธิก็จะเกรงมันก็จะไม่มีความสุขแล้วก็เวลาตาําตามดูใจนี้เป็นนะคะไม่ทราบว่าจะต้องยังไงจะต้องอย่างตอนนี้เวลาพูดแล้วอินรู้สึกหมร้กเยแค่แค่นี้ให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะเนี่ยอยากพูดแล้วรู้ไหมเห็นไหไม่มีแรงดันหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหม เวลาหลวงพ่อบอกรู้ไหมเออเนี่ยหักดูไปเงี้ยแต่แทนที่ว่าหลวงพ่อต้องไปบอกนะเราไปรู้ของเราเดี๋ยวตอนเนี้ยหนีไปคิดเรารู้ไหมเนี่ยแค่รู้ทันไปอย่างเนี้ยรู้ทันการดูจิตเนี่ยเราดู2อย่างอันแรกเราดูความรู้สึกเช่นรู้สึกโลภโกรธหลงรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อันที่สองเรารู้ทันพฤติกรรมอาการของจิตที่มันวิ่งไปทางตามันวิ่งไปทางหูมันวิ่งไปในความคิดมันไปเพ่งเอาไว้อะไรี้ อย่ขนาเนี้ใครแอบอิจิดแล้วใช่ไหมใช่ที่หัดไปอย่างเนี้ยนะในี่สุดเราจะตื่นขึ้นมาค่ะแต่พ่อคยมีสิ่งข่าวอย่างตัวเรานั่งสมาธิอย่างเาาางี้ยคือที่ถูกสอนมาใทนทางต่างสก็คือว่าจะต้องดูดูลงหายใจต้องรู้เล่นๆสมาธิเนี่ยนะในอาพี่ทำเขาสอนอะไรสมาธิเกิดจากความสุข<ช>นะพราะงั้นถ้าเราหายใจแล้วเรามีความสุขนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหายใจอย่างเครียดไม่มีวันสงบเลย ก็คือให้นผ่อนต้องผ่อนสบายแต่อย่าหลับก็แล้วกันสบายมากก็หลับเพียงเดียวนะคะเพราะว่าแค่เริ่มต้นจากการดูจิตแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วพอแล้วไม่ต้องดูอะไรเยอะก็ได้รู้จักเผลอไหมเผลอใจลอยเผลอไปคิดอะไรเงี้ยต่อไปนี้พอเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เอาแค่นี้กันพอเลยเผลอไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแค่ว่าพอเผลอปุ้มให้รู้เรียนเสร็กแล้ว มันอิงไปในคำพูดเด็งเมื่อเียไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ทางอืมไม่ต้องหัดเนียหนีไปกแวบหนึ่งดือมไหมไม่ออกน่ารังไปนเ็กใหมาเรียนต่อเรียนตีเดียวให้รู้เรื่องยากนะเรียนกว่าจะได้ปริญญาสบายนะตั้งหลายปีเรียนธรรมะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันขอบคุณนึ่งข้อคือ เกี้นี้ี่สงพ่อบอกว่าไปปฏิบัติมาแล้วก็กลับบ้านก็อยู่อะไรเงี้ยคิดไม่ถึงเลยเสมที่นี้นะหลวงพ่อเราไปปฏิบนะัติแล้วเราไปบังคับตัวเองป่ะตอนปฏิบัติเะรอคะเราไปบังคับกายบังคับใจตัวเองพ อ, อกลับมาบ้านมันก็เลยร้ายกว่าเก่เาว่ามันเก็บกดคนเข้าวัดนะ่ยเวลากลับบ้านร้ายกว่าเก่าเยอะเลย <ะ S 1> มีหลายคนนะแต่ว่าในช่วงระหว่างปฏิบัติมันก็รู้มสึกสบใช่ไหมค่สิบ้ค่ๆเราไปบังคับตัวเองให้นิ่งๆอยู่นะ มีความสุขพอมีความสุขเจนกระทั่งปิดในความสุขพอกลับมาบ้านอะไรกระทบนิดหนึ่งนะรู้สึกรุนแรงแล้วไม่ชอบใจแล้วเรจะแก้ยังไงหัดเจริญสติง่ได้เจริญสติคือคอยรู้ทันใจของเราเอย่างเราทำสมาธิจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจจิตชอบรู้ว่าชอบเนี่ยคอยรู้อย่างนี้เราจะไม่ติดไม่ติดความสุขเมื่อเราไม่ติดความสุขเวลาเราเจอความทุกข์นะมันก็ไม่โมโห แต่ถ้าเราติดความสุขพอไปเจอความทุกข์นั้นมันโมโหขึ้นมาช่อเรืสติของหลวงข้อไปายถึงว่ากาหนดให้ยอะกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้คอรู้ทันจิตใจขงเราไปอันนี้พอแล้วส่วนสี่ส่วนมนมันเป็นเรื่องของเราไหว้ครูเราเป็นเสว่าก็รู้ว่าตอนนี้กำลังคุยกับหลวงพ่ออยู่ตอนนี้กำลังแน่นไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่าคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อแล้วเกิดรู้สึกสนุกรู้ว่าสนุกคุยกับเพื่อนมันขัดคอเราโมโหมันละรู้ว่าโมโหไม่ใช่รู้ว่าคุยกับเพื่อนนะ ได้กลิ่นได้กลิ่นดอกไม้หอมไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมแต่รู้ว่าใจเราชอบรู้ที่ความรู้สึกของเรามันไม่ใช่ว่ามองเห็นอย่างนี้เห็นพัดลมยากตัวหนึ่งเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเพาอย่างนี้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมใครเขาก็รู้แต่ถ้าได้กลิ่นดอกไม้ใจมันสงสัยว่าดอกอะไรรู้ว่าสงสัยได้กลิ่นดอกไม้ใจมันชอบรู้ว่าชอบ ร, รู้ที่ใจเรารู้ทันปฏิกิริยาคือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาของใจนะรับรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเบาไม่ต้องทาเยอะนะเราใกล้จะกลางเอาวันาได้หมื่นเยอเวลาเราฟังคืออาการว่ารู้ว่าฟังนี้เป็นนะรว่าฟังไม่ใหเป็น คือมันเป็นถ้าฟังรู้ว่าฟังหมายถึงรู้อาการของจิตที่มันมันไปตั้งใจฟังนะอย่างขนาดนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรอฟังเหรอหรือไหมยังไม่รู้หรอกยังคิดไม่เลิก <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรแลนะดูตัวอื่นไปก่อนดูตัวนี้ยาก <c oughs> เวลาใจแอบไปคิดรู้ไหม ถ้าใจแอบไปคิดรูว่าแอบไปคิดน่าก็รู้อยู่เท่านี้พอละใจเราคิดเป็นส่วนใหญ่ฟังเป็นส่วนน้อยคิดเป็นส่วนมากเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วมือออกไหมเพราะงั้นใจแอบไปคิดรู้ทันปั๊บมันจะหลุดออกมาเลยมันจะเลิกคิดจะตื่นขึ้นมาเลิกคิดเลยแต่ลอยรู้จักไหมรู้จักมือมือไมไปรู้ไปเคยคือกับ่เขาเขาเขาขอพอเขซื้อของพ่อส่งยาก็รู้ว่าอยาเขาบอก แต่แม่บอกว่าอยากรู้ว่าอยากเสร็จแล้วก็ไม่ซื้ออย่างนี้เพื่อนวรู้จักพลิกตําราสู้ไ <c oughs> ม่ของเด็กๆใชเราบอกอยากให้รู้ว่าอยากแล้วไม่ซื้ออย่นี้นะแต่อไอเด็กมันไม่รู้ว่าอยากอยากซื้อขอซื้อก็แล้วกันไม่ต้องดูอยากงั <c oughs> ้นดูไปก่อนนะแล้วก็พ่อไม่ซื้อก็บอกแม่ แม่ธรรมชาติของแม่นั้นใจอ่อดมากกว่าพ่อพ่อครับการร่ารู้กับการกําหดนดคุณล่ะเรื่องหนดเนี่ยนะเบื้องหลังกําหนดนะั่นคือความอยากอยากปฏิบัติก็จงใจไปทําอะไรบางอย่างจงใจกําหนดส่ว น, นการระาเรื่รู้เนี่ยจิตมันระาเรื่ขึ้นเองเพราะมันจําสภาวะได้เช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นไงพอเผลอลกุ๊บมันรู้ขึ้นมาว่าเผลอนเรียกว่ารา่ราเรื่รู้ไม่ได้เจตนานจะรู้ ส่วนกำหนดรู้เนี่ยเบื้องหลังของมั น, นคือโลภะโลภะเจตนาหรือตัณหานยอยากปฏิบัติก็เลยจงใจไปรู้แล้วก็หวังผลในการรู้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่เราเราเราไม่ได้ระวังตัวเราพยายามจะระลึกรู้ตรงนี้แกล้งทำนะํำเราเราลรึกรู้ไม่ได้การะระลึกรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนชัดแล้วต้องหักตามรู้กายตามรู้แต่ต้องตามนะตามรู้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือว่าเขาเคลื่อนไหว จิตใจเคลื่อนไหวหรือว่าจิตใจเคลื่อนไหวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรหรือว่าอยู่ในการอย่างนั้นรู้เฉยๆเห็นเขาเคลื่อนไหวแล้วเราเป็นคนดูทําตัวเป็นแค่คนดูเท่า mm hmm. นั้นเองพอเราหัดสมมติเรากระดุกกระดิกเราคอยรู้สึกเรื่อยๆนะคอยตามดูเราเห็นไอ้ร่างกายนี้มันกระดุกกระดิกไปเราเป็นคนดูเนี่ยต่อมาพอเราเผลอ mm hmm. พอเราเผลอปุ๊บเราเกิดขยับตัว mm hmm. มันขยับนี้ปั๊บความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเอง ความรรักรู้เนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้จิตจําสภาวะได้เขาเคยเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราก็เห็นกายบ่อยๆเห็นใจบ่อยๆส่วนกําหนดเนี่ยเบื้องหลังคือโลภะในคำผีตัวอักษรนี่ชัดเลยสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกตัญหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามเป็นตัวสมุขใจฝังขนาดนี้มีพวกเราตอนหลังชอบกําหนด รู้สึกไหมมันอยากปฏิบัติมันถึงกําหนดรู้สึกไหมว่ากําหนดแล้วมันแน่นๆขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมาจิตที่แข็งแขงจิตที่หนักหนักจิตที่แน่นๆน่ะเป็นอกุศลจิตจ<อ>ิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแตบงบเก็บไม่พอกํากหนดแล้วมันแน่นๆแข็งแข็งตรงนี้หากกุศลนั่นต้องระวังค่อยๆเรียนนะแล้ววิธีการปฏิบัติ หลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อไม่เคยทิ้งแต่เวลาหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อนั่งคําความรู้สึกตัวไปเมื่อหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกจิตหลวงพ่อหนีไปเที่ยวหลวงพ่อรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวรู้ทันจิตแไม่ได้นั่งออกเอาเฟิมนะแต่นั่งเพื่อจะคอยรู้ทันรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองนนี้จิตมันรู้ไปถึงจุดที่มันต้องการพักจิตก็รวมเข้าไปสงบพักผ่อน ถึงจุดที่มันพักพอแล้วมันขึ้นมามันมาเจริญปัญญามาซ้ำกายรู้ใจอออกมาข้างนอกยืนเดินนั่งนอนเนี้จะรู้ตัวไปเรื่อยๆรู้โดยที่เราไม่ต้องบังคับมันครัเหมือนกับมันก็รู้สึกว่ามันนิ่งเหมือนกับนิ่งๆนะนิ่งจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชอบเออไม่ชอบเหมือนเหมือนิว่าน่งมันมันนิ่งก็รู้ว่านิ่งแต่เหนือเปนของแปลกปลอม ยังไม่ใช่ของแยแ้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นให้รู้ไปด้วยจิตของคุณมันยังบังคับไว ม, มันยังรึงความรู้สึกตัวเองยังประคองความรู้สึกอยู่<ม>ดูออกไหมยังทำอยู่มันไม่ใช่รู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ยังทําอยู่คือบางทีมันเหมือนกับมันมีสองสภาวะที่ให้เห็นควาต่างกันอยู่นะคะอย่างอย่างบางังคับที่หลวงบอกว่ามันกับยังมีการ แข็งๆหรือว่ายัางมีการทําอยู่ใช่ไหมคะซึ่งถ้ามองไปแล้วเหมอือนจะว่าอะไรก็ตามที่เป็นการกําหนดรู้หรือว่าเป็นการออกําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะทําให้เกิด<ช>สภาวะที่แข็งๆเหมนจะบางครั้งไปคิดเหมือนจะไปมองว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเดี่เราทำแล้วก็อะไรเกิด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขึ้นแล้วมันก็รู้รู้่นแหลแต่ว่าพอเอากรณีแบบเข้ามันก็มันก็คือเป็นธรรมดาไปซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นการกําหนด คือถ้ารู้มันรู้ขึ้นเองนะแต่มันจะโล่ว่างขึ้นมาเลยอันนั้นรู้จริงจริงแต่อันนั้นเราคิดนำเอาหน่อยหนึ่งโดยไม่ต้องมีความคิดเข้าไปแทรกไม่มีไม่มีมันรู้ขึ้นเองส่วที่รู้ขึ้นเองนะ้วใสปิ้งขึ้นมาอะไรนะไม่แม่ของคุณทีนันเน่ยมันมันโล่มันแวบแรบและเสร็จแล้วมันก็ไปคิดต่อนมันยังทํานะอย่างขณะนี้ยังทําอยู่รู้สึกไหมยังสะคลอง ประคองรู้ว่าประคองไม่ต้องอยากเลิกไม่อยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกแต่ไม่ได้จงใจประคองมันชยชินมนเคยชินที่จะผิดสมถะเคยชินทุกคนเวลาจะปฏิบตัตนะิจะประคองคอยรักษาว่าจะเลิกได้นะยากเพื่อตรงนี้เลิกละแต่เลิกนิดเดียวนะกลับมาประคองอีกแล้ว มันก็เหมือนกับเป็นสภาวะที่มันก็คือการตื่นการตื่นแล้วก็<ช>มีความเออมีความรู้รู้แล้วก็มีความชัดเจนตรงนั้นแล้วก็ไม่ชั่วแว บ, บเดียวไม่มีอะไรแทรกไม่มีเลยก็คือตรงนั้นเสร็จแต่ว่าตรงนั้นก็เหมือนกับว่าตรงนั้นก็ไม่เตี้ยงต้อาาไตงไม่รำคาญไม่ได้แต่มไม่ได้มันดับอย่างฉับพลันเลยแล้วพอมีสิ่งเข้ามาใหม่มันก็อาจจะเป็นกังเธอแต่ว่าเธอไปแต่พอรู้อีกตัวนี้ก็เกิดขึ้นอีกแลตัวรู้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ถือว่าถึงอยากเป็นอย่างนั้นเป็น